สมัยเมื่อโ บ, โบราณโบราณเราพูดถึงเรื่องว่าเราถามกันว่าทำไมจ <c oughs> ็ ก, กจันเนี่ยมันไม่มีไส้เคยสังเกตไหมเคร เ, เคยเคยจับจักกจันมาดูบ้างมีไส้ไมะ <c oughs> ไม่มีนะแต่ลูกออดไปไง <c oughs> <c oughs> มันมีเรื่องเกิดในตรงนั้นเนะ่ะ ลูกออมีไส้เต็มเลยแต่กระจ้าจักรไม่มีไส้เพราะอะไรรู้ไหมก็เลยถามกันเมื่อเกิดนิยายประมัดขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันก็มันเกิดเหตุนะเกิดเหตุว่ามีคณะลูกออดทั้งหลายในสมัยบ ร, ปรมปฐมกับสร้างโลกใหม่ๆนะลูกออดเดือดร้อนเกิดไป เดอนขบวนไปพบกับพระอิศวนมีพระอิศวรพระีิวะพนาลายสมัยนั้นนะปู่ของโลกูกอืมพระอิศวนก็ถามถึงความเดือดร้อนของลูกออดลูกออด ม, มันมีมาตั้งแต่ตั้งโลกแล้วนะก็เลยถามว่าเออพากันมาทำไมล่ะบอ่พระเจ้าเดือดร้อนกันเดือดร้อนเรื่องอะไรบอกว่า พวกข้าพเจ้าอยู่ในบวกหนองน้ำแห่งหนึ่งนี่ยปรากฏว่าถูกช้างเหยียบตายไปเยอะเลยอย่างเง้ยหลายร้อยหลายพันตัวก็สัตว์ใหญ่ลังแกสัตว์เล็กไม่เป็นทําเลยอ๋อเกิดอะไรขึ้นนะงั้นไปก็ออธินก็ให้อยาอาโยมทูตไปตามช้างมามาสอบสวน ช้างทำไมไปเหยียบเขาตายแหละพวกทุก๊อดเนี่ยเขามาประท้วงเนี่ยเข า, เาตายหมดสังเอะเอาผมไม่ได้ตเตจะได้เหยียบนะครับเอางั้นเอาทไมเพราะว่าตอนนั้นเวลาใกล้สว่างประมาณตีสองตีสามเนี่ยกำลังหลับสนิท เออมันลัง sa มืแดงขนาดใหญ่ตกมาใส่หลังมาจุกใส่หลังข้าเจ้าหลังมืแดงกัดไปทั่วเลยผมก็สะดุ้งตื่นเพราะดุ้งตื่นก็ถอยหลังพอดียืนหลักใกล้แไอ้บวกน้ําขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งขาหลังเนี่ยก็จุกไอ้เหยียบลงที่บวกน้ําแล้วก็ไปเหยียบลูอ๊อดตายก็ไม่ได้รู้ว่าลูกอ๊อดตายแล้วก็เหยียบลงไปเอง อ้าก็ไปโทษน่าจะไปโทษที่มูดแดง <c oughs> กัดหลังผมก็นอนหลับก็ให้ตามมูดแดงมาสอบสวนทางหลังเลย <c oughs> ถามว่ามู่แดงทำไมเวลาเช้าๆทีสองทีสามไปกัดช้างเขาเขากลังนอนหลับอ้าผมกาลังนอนหลับอยู่มือกัดมือเงินกูน ม, มีไก่ป่าตัวขนาดใหญ่วิ่นมาเหยียบหลังผมตกลงมาอ่า ผมก็ไม่มีเจตนาที่ไปกัดหลังช้างเอางั้นไปจับไก่ป่าทุนนั้นม า, าก็ไปจับไก่ป่ามาก็ถามเอาไก่ป่าทําไมมีเหยียบลังบัวแดงเขาตดเนี่ยไปเหตุให้ลูกอัดใจเยอะเลยเอาผมก็ไม่รู้ผมนอนอยู่บนต้น ง, งางางาดำงาแดงที่เราต้น ง, งางเห็นต้นกุไก่ป่าก็สะดุ้งตื่นเพราะว่ามีใครไม่รู้มาชนต้น ง, งามาันแทบจะล้มผมก็สะดุ้งตือก็บินกระิด โดยอ า, ามลมณตกใจเราดดถารึงไปเหยียบหลังมดแดงเข่าให้ไปเหยียบต้นงานเป็นอะไรถึงงี้เถอะก็บอกว่ามีเก่งเก่งว่าเราเรียกว่าฝานใช่ไหมเก่งมาชนตกงกันอ้าวที่สาที่สีเก่งที่ไหนวิ่งมาชนให้หมอเก่งเนาะเขาเรียกว่าฝานทางเหนือเรียกว่าฝานอเก่งอย่างเดียวนะ เอาเก้งทำไมวิ่งไปชนก็ต้นงานต่เช้านะแต่ผมได้ยินเสียงแจกรจันตรงนั้นได้ยินเสียงแจกจันมันทำไมต้องวิ่งเลยเพราะทากุติพอแจ ก, กจันร้องเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่ามันสว่างแล้วจะต้องรีบมากินในมะกอกเหอนเพราะเก้งมันชอบมะกอกไงได้กินมะกอกก็รีบวิ่งมาถพรามาช้าไม่ได้ อเพราะว่าเช้าขึ้นมาไอเกิ่งแถวนี้มันเยอะใช่ไห ม, า, มาช้าเขาไปกินหมดผมก็รีบวิ่งมาก่อนเพื่อนเท่านั้นก็เลยไม่ตอนยังไม่สว่างก็เราไม่รู้ตามาตาเหลือก็ไปชวน น, วนรุนงาเขาแล้ชักกะจันมันร้องเพราะนั้นจะโทษผมไม่ได้ต้องโทษจะกะจันเท่านั้นอถ้าบุตรีมันจะสว่างถึงร้องอันนี้มันทีสองทีสามอยู่แถวมันร้องอันไปจับชักกะจันมาชักกะจันทำไมร้องตั้งแต่ทีสองทีสามเมื่อเช้านี่ย ผมไม่รู้อ่ะนั่นแหละหาต้นเหตุได้แล้วเพราะเธอไม่รู้นี่แหละเพราะนั้นในตระกูลเจ้กระจจนทั้งหมดเกิด ม, มาพบใดชาติใดถูกควกไส้เอาไปแทนดูอ๊อดเขานะเพราะนั้นลูอ๊อดจะมีไส้มาตลอดเต็มเลยนะลูอ๊อดคือ ล, ล, ลูกกบลูกเขียด น, นะอ่ะอาอันนี้คือวิธีการสอนของโบราณ สอนปฏิจจสมุวบาทฮะปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอะไรนะคุณพิชาไม่รด้วยความไม่รู้ใช่ไหมฮเพราะความไม่รู้ก่อให้เกิดสังขารโดยจ้กระจันนีคือตัวสังขารเพราะจ้กระจันมันไม่รู้เวลาเวลาไม่รู้กาลละมันไม่รู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ยังไม่สว่างมันเกิดไปร้องเข้าเพราะมันไม่รู้ เพราะความไม่รู้ก็ให้เกิดสังขารเพราะนั้นตัวจกรยันนั้นคือตัวสังขารที่มันรอ้องเมื่อมันร้องแล้วก็ให้เกิดอะไรสังขารก็ให้เกิดวิญญาณ อ, อันนี้คือวิธีการสอนปฏิสุบะตของโบราณ เขาไม่ได้ว่าเออวิชาคอยเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณก่อเกิดนำรูปนำรูปก่อเกิดสรายยตนะสรายก่อเกิดภัยสภัยก่อเวทนาเวทนาก่อเกิดตัณหาตัณหาก่อเกิดอุทานอุทานก่อเกิดชาติชาติก่อเกิดพบพบก่อเกิดชราโสกับที่ว่าไปเขาไม่ได้สอนกแบบนั้นโบราณก็จะยกเป็นลักษณะธรรมชาติเงี้ยมาสอนอะเพราะจะกระจ่ง อ่าลองผิดเวลามันไม่รู้เพราะอาวิชชาก็ให้เกิดลองผิดเวลาคือสังขารสังขารมันนึกกปรุงแบบไหนเนี่ยเราเราสามารถจะรู้ได้ไหมว่าสังขารคิดความหลอกความคิดความหลงจะปรุงขึ้นตอนไหนมันรู้รู้ได้ไหมมันจะนึกคิดยังไงก็นึกยังไงเพรไม่รู้กาลเวลาพอเหตุปัจจัยพอไม่รู้สึกตัวปั๊บมันก็เกิดแหละสังขารนะใช่ไหม พอไม่รู้สึกตัวปั๊ก็เกิดอ่าพอพลื้อปั๊กมันเรื่องเกิดสังขารนะพอสังขารเกิดเท่านั้นวิญญาณตามมาสังขารวิญญาณนามะลุดามมาตามมาดาเหมือนกนพอจ้กขะจานทร์ร้องผิดเวลามันทะลุไปถึงนูน่นไหนลู้อัดถูกเหยียบตายทุกทุกขะนะตรงนั้นเกิดแหละเพราะฉะนั้นพหะอิวนก็เลยต้องลงโทษ ลงโทษจะกระเจนลงโทษความไม่รู้ทีนี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันนะพอสังขารมันเกิดปับนะ๊บเนี่ยเราไม่ทันพอความไม่รู้คืออวิชชาพ อ, อไม่รู้ไม่รู้สึกตัวปับ๊บก็เป็นไงปุงแต่งใช่ไหมอ่ะปุงแต่งนะปุงแต่งก็เป็นเรื่องไปลาขึ้นมาพอปุงแต่งปับ๊บก็ให้เกิดตืจนทะลุไปถึงกรรม การกระทเลยเดินไปเดินมาง่วงง่วงทันที่จะรู้สิว่า ง, ง่วงแล้วเข้าไปกำหนดรู้ใช่ไหมเอ้ง่วงแบบนี้ต้องไปกวาดใบไม้สนหน่อยให้มันหายไม่ทันรู้ความง่วงไม่รู้วิธีแก้ ง, ง่วงเดินไปกวาดต้นไม้สังขารเกิดว่าคิดคิดว่าจะแก้เอาสังขารไปแก้ความง่วงแก้ถูกไหมไม่ถูกมันก็ให้เกิดสังขารตัวใหม่ในที่สุดเราก็ต้องหา อะไรหาไม่กวา ด, ดไมกวาด้วยไม้เอะกดใบไม้กดไปบดมาแล้วก็ใบ ไ, ไม้บางอันมันกวาดไม่ไม่มาก็ต้องใช่อะไรใช้มือเก็บเอาเก็บใบไม้เก็บไ ป, ไ, ไปมาไปเจออะไรเจอพึ่งพึ่งก็ต่อยมือเพอาะต่อยมือเดือดร้อนถึงสังขารตัวอื่นแล้วทีนี้ะเดือดร้อนถึงการหนึ่งต้องไปหายาเอายาอยู่ที่ไหนเอาถามกัน่ะ ไปยาวเลยทีนี้นี่ก็เรียกว่าปฏิชสธูมบาททุกของเพีงเยงแต่ว่าลืมลืมดูสังขารในขณะ น, น, นั้นเท่านั้นแหละอ่าเอาูสังขารนั่นนี่เห็นไหมนี่คือเรารู้นะว่าสังขารสังขารวิญญื้อท่องกันปฏิเสธุสูมบาด ท, ท่องกันได้หมดแต่เวลามันเกิดจริงๆเราทันมันไหมไม่ทันเพราะขาดอะไร้ราขาดอะไร ขาดความรู้สึกตัวขาสติอะไรเงี้ยขาสติแต่ว่าเราจเจริยสติอยู่นะแต่ทําไมมันถึงไม่ไม่รู้อะ่ะเพราะความเร็วมันยังไม่พอมันน้อยอยู่ความเร็วไม่พอฉะนั้นจึงทําเยอะๆไงฉะนั้นเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยเขาจึงไม่ต้องให้ไปทําอะไรอะไรเกิดก็สู้ตรงนั้นแหละง่วงเกิดก็สู้ง่วงวตรงนั้นอะ่ะไม่ต้องหนีไปทําอะไรพอหนีไปทําเดี๋ยวเกิดเรื่องมาอีก เพราะคือเรื่องว่าเดี๋ยวกระทบไปหลายคนอีกเดี๋ยวร้อนะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจริงต้องว่าในขณะนั่งสร้างแก้วกเราก็จะต้องความง่วงในถามว่าเวลามันเกิดมันเกิดทันทีปุ๊บปั๊บไหมเกิดปุ๊บปั๊บทันทีไหมอ่ามันจะต้องมีเหตุก่อนใช่ไหมมีเหตุทีนี้ทีนีนน้เช่นเหตุว่าเรานั่งนานนั่งนานแล้วก็ทำพลืน ขณะที่เพลินเนี่ยเราลืมเรารู้สึกลืมตัวอะไรใช่ไหมรู้รู้แต่ที่มือที่อื่นมันไม่รู้ทอนเพลินปั๊บอ่ามันก็ลืมเบลอลืมง่วงลืมเหาขึ้นมาเป็นเป็นข้อสอบใหม่ขึ้นมาทันทีเลยเพะฉะนั้นเองในจุดนี้เราจึงใช้ความแยบคายพอสมควรที่มาได้กล่าวมาตอนกลางวันว่านอกจากเราเจอวิธีการที่ดีเจอครูอาจารย์ที่ดีเจอ ทำแนะนำที่ดีแล้วเราจะต้องมีความแยกาขในการสังเกตถ้าไม่แยกาขแล้วเราก็จะเผออยละแยกาขตรงไหนแยกาขตรงที่เหตุขณะที่เรานั่งเนี่ยทาไงถึงให้แยกาขก็ต้องสังเกตสังกาอะไรเกิดขึ้นขณะนั่งนี้เราไม่ใช่รู้แต่มือยกแป๊บแป๊บหน่อย น, นะขณะนันี้เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะ ทิตาปากหายใจอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เหตุที่เกิดทุกตัวนี้แต่เหตุที่เกิดทุกสัมผัสได้ตัวนี้คืออะไร <c oughs> นั่งมานานรู้สึกไงบ้าง <c oughs> อ่าปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวตึงใช่ไหม <c oughs> ต้องดูเหตุที่มันเกิดขึ้นเฉพาะในขณะนั้นนั้นนี่คือความแยบคาย ไม่ชอบไปเพิพิจารณาเหตุที่ยังไม่เกิดทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอันนั้ น, น, น, นเกิด์ตลอดแหละแต่ว่าในตัวของเราในขณะ น, นี้เหตุที่มันเกิดทุกข์นั้นมีที่หลายจุดอะเย็นก็มีใช่ไหมเหน็บก็มีหนักก็มีขบ ก, ก็มีเมื่อยก็มีเบื่อก็มีเซ็งก็มีแต่อันไหนมันรุนแรงกว่าเพื่อนตัวสอบนะ่ะอะตัวไหนมันรุนแรงกว่าเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกคือเป็นเหตุให้เกิดตัวอื่นไปด้วย ถ้ารนั่งนานๆรู้สึกมันปวดโดนเหน็บเนรู้สึกมันก็ให้เกิดอใจไม่ค่อยสบายใช่ไหมใจไม่ค่อยสบายเกิดอะไรเกิดเบื่ออ่าเบื่อก็ให้เกิดเซิงเซิงก็ให้เกิดไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจเกิดเบือเกิดคิดหลงอะไรอื่นเกิดเพลินเกิดง่วงไปตามลำดับแล้วสาเหตุลึกๆมาจากทุกที่มันบีบเราในขณะที่เราไม่เปลี่ยนอิเดียบท์เนี่ยใช่ไหมพอเปลี่ยนอิเดียบท์ปั๊บเกิดความสบายขึ้นจิตไม่ถูกบีบคั้น ก็จิตมันก็เกิดสดชื่นขึ้นมาสดชึ่นขึ้นมาก็จูนใหม่ปรับใหม่นั่นคือนี่คือในขณะที่เรานั่งเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์มีตั้งหลายจุดทั่วร่างกายเลยแต่จุดที่มันเข้มที่สุดจุดไหนเข้มที่สุดต้องแก้จุดนั้นก่อนเพราะจุดที่เข้มนะถ้าไม่แก้มันก็จะไปก่อให้เกิดตัวอื่นต่อไปอีกนี่คือเรียกว่าขยยบขายคือดูที่เหตุยยบคายในยสิ่งที่เป็นเหตุ สิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุที่ได้ส่วนเมื่อกี้ยทาฮาเวปาทุพวันติธรมมาอาตาปินโนชายโตภรลมรสะอราสการเขาวัปยันติสภาชานาติสหิตุธรรมังนะนะเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติที่กําลังเพียงเพ่งปฏิบัติอยู่นะเมื่อใดผู้ปฏิบัติเพ่งเพ่งด้วยสติใช่ไหม ด้วยสมชายและปัญญาเมื่อนั้นนักปฏิบัตินั้นย่อมรู้ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุชาตานติสติทธิดูธรรมังทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุขณะที่ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุธรรมที่เกิดขณะเราในคั้งนี้คือกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งสองอย่างทั้งที่ความสบายเป็นกุศลธรรมก็เกิดทั้งในความไม่สบาย อกุศลธรรมก็เกิดทำทั้งหลายหรือความรู้สึเชื่อเชื่อเชืเชอยังไม่สุกไม่ทุกก็มีอภิญญากรรมก็เกิดทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุแต่เหตุที่จะต้องเป็นเหตุให้เกิดเหตุทุกอย่างอื่นต่อไปก็คือส่วนที่เป็นอกุศลเหตุอกุศลเหตุที่นี้ก็คือความไม่สบายกายเกิดล้วหนักตรงนั้นเน็บตรงนี้หนืดตรงนั้นหน่วงตรงนี้อขัดตรงนั้นยอกตรงนี้ดูเหตุตรงนั้น เมื่อรู้เหตุว่ามันเกิดแล้วทำไงอ่าต้องดูแก้ไขตัวที่เป็นเหตุนั้นให้ตัวที่เป็นเหตุนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วที่จะทำให้เป็นเหตุให้เกิดต่อไปเรียกว่าปัจจัยจึงมีข้อที่สองต่อมายะราหาเวปาตุพันติธรมาอาตาปิโนนะในที่สุดยะโต ชาณฑ์จตุปชาณติสัจปจยานังอเวทิจตุปัจยานังอเวทิรู้ทุกงความสิ้นไปของปัจจัยทั้งหลายหมายความพอเรามีสติกำหนดรู้ปับ๊บเหตุคือมันปวดในะขณะนั้นพอเรามีสืิมรู้ปับ๊บปัจจัยแห่งการให้เกิดทุกขณะนั้นดับไปก็รู้พอขยับปรัรู้ดับไปใช่ไหมยังไม่พออีก ยะธาหาเวปาตุปวันติอันสุดท้ายอันสุดท้ายเพราะความสงสัยทั้งปวงของผู้ปฏิบัติย่อมสิ้นไปเหมือนอาทิตย์ส่องสว่างขจัดความมืดส่องสว่างเหมือออาทิตย์ขจัดความมืดส่องสว่างอยู่ฉชนนั้นพอเราเราขยับแล้วปัจจัยคือ ความปวดไม่เคียะมันดับไปเห็นชัดไม่สงสัยว่าความปวดความไม่สบายตรงนั้นหายไปแล้วอ่านี่ไหมีสามขณะนะขณะแรกก็คือดูทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำขนาดที่เกิดขึ้นคือความไม่สบายคืออรสุทธธรรธมใช่ไหมอพอเราเพี้ยนเพ่งเข้าไปอีกอ๋ออรุทธธรรธมนี้มันมีปัจจัยให้เกิดที่จะเปเกิดปัจจัยตัวต่อไป คือถ้าเราไม่รีบแก้ให้เกิดปัจจัยตัวต่อไปเกิดทุกตัวต่อไปเราก็มีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่ใช่ไหมล้วก็เข้าไปแก้พอแก้ปั๊บตัวไม่สบายคืออกุศล ร, รมคือเพาไม่สบายนั้ น, ค ว, นความเหน็บความหนืดความปวดเมื่อยตรงนั้นเป็นไงหายไปก็รู้ว่ามันหายไปความสงสัยทั้งปวง นิตติมาลเซดังสู้ลวาโอพาสยามันตริคันติอะความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปอ่าสงสัยว่าแล้วสงสัยว่าไอ้ความปวดตรงนั้นมันสิ้นไปอย่างไรไม่สงสัยมันมันความปวดที่เราขยับแล้วเรายกขยับเนื้อมันหายไปเราสงสัยมันทํำมาอย่างหายไปสงสัยไหมไม่สงสัยเพราะอะไร รู้เหตุว่าทําไมความไม่สบายจึงหายไปเพราะอ่าเราแก้ไขที่เหตุคือเราขยับขาแล้วเนี่ยพอขยับขาปุ๊บเนี่ยความไม่สบายหายไปละรู้ให้ชัดอีกว่าความไม่สบายแบบความสบายเกิดขึ้นขณะนิดนึง <c oughs> ก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นละอุสุลธทําเกิดละความสบายเกิดใช่ไหมเราก็รู้ต่อไปด้วยนั่งไปอีกสักพักเนี่ยอะไรจะเกิดอีกอือ <c oughs> อ่าความเมื่อยความปวดที่เกิดอีกแหละแต่ถ้าเราพิจารณาไอ้ตัวง่วงที่มันขณะขณะเกิดแบบเดียวกันเนี้ยความง่วงจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะเราพิจารณาแล้วแก้ไขมันด้วยสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาไม่เพ่งพิจารณาแล้วไม่เข้าไปแก้ไขให้ถูกเหตุเนี้ยความง่วงก็ต้องยาวชักยาวไปเรื่อยๆอยงในที่สุดก็ให้เกิดสังขารตัวต่อต่ อ, ต, อ, ต, อ, ต, อ, ต, อต่อไปอุสรธรรมก็เกิดต่อไปเพราะเราไม่ได้เพียนเพ่ง ใช่ไหมอทาสะกัง่าว่าปยันติสภาเพราะนั้นเราต้องเพียนเพ่งอาตาปิโนชายะโตพรามณศะเพราะนั้นในในตัวพุทธอุทานตรงนี้นะท่านท่านมาเห็นเหตุปจตัจจัยตรงนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะไอ้ใดตรงนี้ คาถานี่เหมือนกับพระองค์ได้เห็นรูปนางก็ว่าได้นะแต่พอคาถาพุทธท า, านอีกบทนี่นะอเ น, นกนชาเรนั้ น, น่ะเหมือนว่าท่านได้เห็นปรามัตดละเห็นการเกิดดับอาจจะเห็นว่าโอ้เนี่ยมันที่ไปที่มาตรงนี้เองง่ายๆนะไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ทําไมเวลาเลยฟังพระสอนภาษาทําไมมันยากเลยคือปฏิสุบะได้ทำไปทําลึกซึ้งฟังยากมากในสมัยที่มาเรียน มันพอมาเข้าใจด้านปรมัดความเป็นจริงแล้วโอ้มันง่ายอย่างนี้แต่ทำไมเราเข้าใจยากเพราะว่าเราไปคิดเอามันเลยกลายเป็นเรื่องยากเห็นไมนี่คือเรียนปฏิสุวร์ตแบบโบราณเริ่มต้นจากแจ ก, กจันรร้องแค่นั้นแหละนะเป็นเหตุเลยแหละถ้าแก้ไขไม่ถูกเหตุเมื่อพระอส่วนแก้ไขอ ย, อย่างนี้จั ก, กจันรยอมไหม ยมชดใช่ไหมชดใช้ปฏิมากรรมของการความไม่รู้ตรงนั้นจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดกรรมเลยอนาะิยากิจันต้องร้องอยู่ยงั่นแหละหมายความว่าจิตของเราเมื่อขาดสติปับ๊บมันต้องร้องต้องต้องคิดเนี่ยปรุงอะ่ะนี่แหละมันมาร้องแล้วมันก็ไม่รู้กาลเวลาด้วยเพราะยามันต้องถูกโค้กใส่เลยไปอ่าลูกอ้อนหมายถึงอะไร รวอนหมายถึงตัวสติเลยสติมันถูกเหยียบมานานอะไรเยียบมันอวิชชาน่ยเหยียบมันตัวไม่รู้ต่อกันไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็พยายามนะะพยายามสร้างตัววิชาขึ้นมาตัวรู้สึกตัวนี้มากๆ อมาเลเซดายที่เราเรียนปริยัตกันมาอู้มหามหาปริเลียนในประเทศไทยมหาสารประโยคหนึ่งถึงประโยคเก้าถ้าอะไรมารู้เรื่องนี้กันสักห้าสิบปอร์เซ็นของพระมหาปริเลียนนะอุ้ยประเทศไทยเรารุ่งเลืองก้าวหน้ากว่านี้มากดังนั้นจึงไม่อยากจะให้ทั้งหลายประมาณให้ให้ทำแต่เรื่องเนี้ยไม่ต้องทําเรื่องอื่นเยอะแยะไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะเอมาเรียนรู้มาเยอะแยะเนี่ยใช้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะ แต่มันก็เป็นเหตุปัจจัยให้มาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่ไม่เผลอไม่ไปศึกษาตรงนั้นก่อนแล้วก็ไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์ปั๊บมันก็ไม่ขนขวายแต่พอไปเรียนรู้ตรงนั้นเก็บมากเข้ามาเข้ามันทุกข์เพราะไม่รู้ยิ่งไม่รู้ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเรียนก็ไม่รู้ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปก็ขนขวายหาอาหางออกจากทุกข์พูดถึงเรื่องสังขารนิดนึงอามาเดินดูตามต้นไม้ ต้ม้ที่เป็นสังขารไหมเป็นไหมเป็นต้นไม้ปรุงแต่งเป็นไหมมาก็เห็นรากใสนะมันย้อยลงมาจากรากเล็กๆเนะะี่ยฮะพอมันลงดินปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นใหญ่คําว่าโอ้จากที่มันหยอนลงมานะพอมันถึงดินมันปุงแต่งของมันจนกระทั่งเป็นรากที่กลายเป็นอีกรากหนึ่งเลยต่อโอ้ ต้นไม้มันก็ปรุงแต่งโดยธรรมชาติต้นไม้ต้นหนึ่งกว่ามันจะปรุงแต่งรากหนึ่งขึ้นมาเป็นรากขนาดใช้เวลาตั้งนานน่าเป็นปีสองปีแต่ของเรานี่ปรุงแต่งแป๊บเดียวแค่นั้นแหะเป็นเรื่องไกลไกลเลยเพราะฉะนั้นสังขารของมนุษย์ที่ปรุงแต่งขึ้นจึงเป็นเหตุของทุกมหาศาลพ่อะหนุยแต่ต้นไม้โดยธรรมชาติเนี่ยเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งถามคุณวิชามืกี่ปีต้นไม้เหล่านี้ปลูกมาสี่ห้าปีโอ้ทำไมันโตไวขนาดนี้ แสดงว่ามันมีเอื้อให้มันสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งได้ได้ดีมันก็โตไวเหมือนกันฮ <c oughs> ะให้สังขารโดยเอามาก็เดินดูสังขารเนี่ยปรุงแต่งโดยธรรมชาติเออมันเอ็มีความสวยงามโคตงดงามพวกมันเพราะปรุงแต่งที่เราเห็นขบวนการทั้งหมดแต่จิตของเรามันปรุงแต่งโดยที่เราไม่เห็นขบวนการของมันเน่ยมันกลับเป็นทุกข์นะ แล้วต้องปรุงแต่งมานึกถึงว่าอการที่เราจะสร้างวัดสร้างวาสร้างสํานักสําเร็จแต่ละครั้งในเราทุกขนาดหนักแล้วต้องปรุงแต่งหินแต่ละเม็ดใส่แต่ละเม็ดมันไม่ได้มาเองนะใช่ไหมต้องไปจ้างไปลากมนน้ําแต่ละอยูที่เราใช้ไม่ได้มาเองเลยต้องใช้สังขารคิดหาวิธีการว่าจะพาพานํะามาใชา้อย่างไรคิดหาวิธีหาเจ้าภาพหาเงินจะมาใช้สิ่งนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นคนที่ คิดจนกระทั่งว่าได้สังขารเหล่านี้มาครบพร้อมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาต้องใช้สังขารมากให้ความทุกมากเลยแต่สังขารนี่มันก็เกิดถ้าเรานําขึ้นมาเป็นพัฒนาเป็นความจริงได้ถ้าแล้วมันเป็นสังขารให้เป็นสมมุติสมมุติตัวนี้เอามาใช้ในทางที่ถูกแล้วเป็นปัญญาแสงสว่างได้ไฟนี่มันไม่ได้สว่างมาเองนะใช่ไหมก็ใช้สังขารปรุงแต่งมาเพื่อเกิดเป็นปัญญานี่ ใช้ในงแง่ที่เป็นคุณแต่ถ้าหากเราคิดเท่าไหร่สร้างไปเท่านั้นทว่าเท่านั้นมันไม่ทุกนะแต่สมุนสลาหลังนี้กว่าเราจะออกมาเป็นสาราในถามคุณวิชานะคุณวิชาคิดไปกี่ปรุงแต่งไปกี่รอบแล้วนะคุณวิชาจําได้ไหมควรสังขารนันหลังสาราหลังนี้นจะเสร็จอ่ะปรุงแต่งนับได้ไหมกี่รอบแล้วนับไม่ได้เลยนะเพราเราเป็นอนะันเ o า n t a b l e เนอะ อันเขาเทวนาบไม่ได้เลยอันเอกชาติสังสารังสันตวีสังอเนปิสังเห็นไหมเรื่องสังขารเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเพราะนั่นเชืออามาก็ว่าโอ้ต่อไปที่คงไม่คิดสร้า ง, งเลยรมาทุกต้นไม้มันปรุงแต่งแล้วก็พอใจนะ้มนะันงามแต่เราคอยดัดคอยแปลงค่อยแต่งค่อยเติมมันนิดหน่อยเท่านั้นเองสีห่หปีเนี่ยต้นไม้มันปรุงแต่งช่วยคุณวิชาล่มลื่นหมดเลย ปรากฏว่าบางต้นมันก็สูงกว่าคาหลังนี้เอ้นะปูนแต่งได้สูงกว่าให้เหาหลังคาไอ้ศาลาหลังนี้ก็ให้ลูกแค่นี้กว้างแค่ห้าเมตรยาวสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่นะแต่ว่าต้นไม้ถึงปูนแต่งของมันช่วยพื้นที่เจ็ดแปไร่ร่มรื่นไปหมดเลยมันก็โดยปูนแต่งโดยธรรมชาติเห็นไหมสังขารเหมือนกันตอนนั้นเราเห็นในสิ่งเหล่านี้แนละ้วโอ้ต้นไม้มันปูนแต่งให้ เกิดเราเกิดผลเกิดลมเกิดเงาเกิดกิ่งก้านสาขาเกิดอาหารเกิดธาตุสีเกิดปัจจัยสีขึ้นมาช่วยให้เราได้มาเป็นสังขารอันหนีกทีนึ่เราก็โดนไว้ก็เลยเป็นสังขารอันเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่เป็นยอดของสังขารที่ก่อให้เกิดยอดของสังขารที่ไว้ที่สุดคือสังขารอะไรสังขารจิตอ่า เป็นจิตแต่สังขารดัง น, นั้นสิ่งเหล่านี้พิจารณาดูให้ดีนู้ไม่กล้า ง, ง่วงไม่กล้าเบื่อเลยน้เรียนธรรมะนะเพราะมันเห็นสัจธรรมอะ่ะเห็นแล้วก็เกิดความปิติเบิกบานได้เห็นสังขางรทั้งหลายดูเดินดูเวลาง่วงขึ้นมาเดินดูต้นไม้เดินดูเปลือกไม้เดินดูใบไ ม, บไม้มันจะหายง่วงทันทีเลยแต่มันนึกไม่ออกอะเนาะในช่วงนีงงงน้ง่วงเยอะเลยนึไม่ออกเดินดู ไม่กวอดมากวอดพอมันหายง่วงก็รีบไปปฏิบัติต่อถ้าหากไม่มีสติในการกอดเดี๋ยวมันเพลินเลยนะถ้าหากเกิดความง่วงปั๊บเดินออกจากที่ไปนะเดินดูต้นไม้เดินดูสักพักหนึ่งไม่ต้องนานในหะ้มันตื่นถ้าเราเดินอยู่กับที่นั่งอยู่ที่มันจะมันมันเหมือนตั้งมวยถูกต้อนเข้า ม, มุมอะ่ะมันจะถูกโชคล้มอย่างเดียวแห ล, ละเอนงี้ต้องออกจากมุมนั้นให้ได้แลนะ้วเวิร์คพุ่งเวออกมาออกจาก ม, มุมนั้นให้ได้แล้วก็เดินดู ตัวนั้นตัวนี้ไปก็เออพอตื่นตัวกลับมาเดินใหม่สักรอบนึ่งเดินออกไปสักรอบนึงกลับมาเดินใหม่นี่วิธีแก้ง่ายๆถ้าเราได้สตินะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สติอโอ้โหแกเรามันไปติดทางอื่นหมดเลยนั่นต้องระวังทีเดียวสมมตุติเราต้องอธิษฐานในะจิต น, นะสมมุติในช่วงบ่ายนะี่เรามีเวลากี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นเนะี่ยสามชั่วโมงเนะี่ยจะทําทอะไรบ้างนะ่ะ นั่งถึงชั่วโมงเดินสิบห้านาทีนั่งอีกขึ้นชั่วโมงเดินอีกสิบนาทีนั่งอีกชั่วโมงหนึ่งสลั บ, บันไปแล้วก็แพลนในใจเออในช่วงที่ฉันนั่งเนี่ยถ้ามันเกิดงงขึ้นมาฉันจะทํำยังไงบางทีนึกไว้ก่อนก็ได้เพื่อว่ามันมาจริงๆเราจะได้แก้ไขมันทันบางทีถ้าเราไม่ได้แพลรไว้ก่อนนะ <S <S <S อะไรมันเกิดขึ้นก็แก้ไม่ทันอ่าต้องมีการแพรว่าเออเจากนี้ไปถึง ถ้าไม่ถึงห้าโมงฉันจะไม่เลิกไปอาบน้ำฉันไม่เลิกไปทําอย่างอื่นนะอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามต้องตั้งจิตให้เด็ดขาดกันนะนั่นเลยเมิฉะนั้นมานมาล็อกเรานะมนันม า, มาพาเราไปแต่พอเราตั้งอธิษฐานจิตวิญญาปั๊บเนี่ยมานมันมาแล้วเราเร า, เราสู้ได้เพราะมันมีแรงอธิษฐานอยู่นะแรงอธิษฐานเหมือนดาบดาบที่พุทธเจ้าท่านใช้ตักพระมารีเนะี่ยมีแรงอธิษฐานนั่นเอง ดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องต้องมีเทคนิคเข้ามันนิดหนึ่งนะไม่ใช่เราจะสู้แบบหัดชนฟ้าไม่ใช่เราต้องพลิกแปงหาวิธีการนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ว่าเราจะได้สติได้ปัญญาในช่วงนั้นไหมโดยที่เห็นมันเกิดอ่ะถ้าไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาในช่วงนั้นเนี่ยมันนึกไม่ออกมันก็ลุยไปตามมันแกวิธีนี้เกิดนั้นไปเรื่อยๆอนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าปัญหาข้อสอบตั้งแวันที่ให้ไปเนี่ยมันเกิดมือกี่ข้อบางเยอะแยะอย่าจำไม่ได้เลยใช่ไหมตอบไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าของจริงเท่านั้นเลยนะ่ะมันเกิดบางอย่างก็แก้ตอบหาคำตอบได้บางอย่างหาคำตอบไม่ได้ค้างคาอยู่แต่ทางที่ดีแล้วไม่ต้องมีปัญหา อ่าปัญหาไม่เกิดตรงตรงที่เราไม่ปรุงคือวิสังขารถ้าถ้าเกิดวิเกิดสังขารแล้วปัญหามันเกิดแน่นอนแต่ถ้าทําเป็นวิสังขารแล้วปัญหาไม่เกิดทีนี้จะทำไงให้เป็นวิสังขารวิสังขาระคาตังจิตตังตระหานังทยายมัชขาเหรอจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้แล้วถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งความอยากเนี่ยจะทํำไง ก็ต้องรู้จักเจ้าตัวก่อเหตุนี้ซะก่อนรู้จักตัวปัญหาใครคือตัวปัญหาต้องรู้จักผู้สร้างปัญหาใครคือผู้สร้างปัญหาในใจของเราเนี่ยเนี <c oughs> เราอะเราเป็นผู้สร้างใช้หรเปล่านะฉะนั้นบอกว่าดูก่อนตันหาผู้สร้างพบ ให้เป็นผู้สร้างความอยากคือตัณหาเป็นผู้สร้างความอยากก็มาจากอาวิชชาตัณหาสาตัณหาตนั้นก็มาจากสังขารตัวจากอาวิชชาใช่ไหมสื่ไปสื่มาก็ไปหาตัวนั้น่ะตัวไม่รู้สึกตัวนั่นแหละก็ให้เกิดความอยากนะเพราะฉะนั้นเราก็ตัด <c oughs> ความ <c oughs> ความคิดที่เป็นสังขารใช่ ที่จะทเมื่อไม่ให้สังขารมุ่งเกิดก็พยายามรู้สึกตัวให้มากๆรู้สึกตัวให้ไวๆรู้สึกตัวให้ชัดๆความคิดสังขารก็เกิดไม่ทันทํานั้ให้รู้สึกตัวไวๆรู้ตัวชัดๆก็ทําให้เยอะๆอะทําให้ชัดเจนทําให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นถ้าทําไปโดยที่ไม่มีสติปัญญาเดี๋ยวก็ไม่พ้นหรอก คามอย่างก็มามันจะได้มันฉลาดกว่าเราเยอะคนนะันยิ่งฉลาดมากสังขารก็ยิ่งแยบคายยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งละเอียดมาก <c oughs> ก็คิดได้สลับซับซ้อนแพรนได้หลายซับหลายซ้อนทีเดียดน่ะนะนะแต่พอรู้ทันปั๊บลือทิ้งเลยนะ <c oughs> มาทําแบบนั้นบ่อยๆโอ้มันคิดเรื่องนั้นนี้ลือทิ้งไปเป็นท่าเลย มันเก่าเราสร้างปราสาททรายพอเล่นจบแล้วก็ลื้อทิ้งสมัยเป็นเด็กใช่ไมั้งทรายแล้วก็มาทําเอาทรายมาเก่อเป็นผ่านเป็นเลือนเป็นปราสาทราชาวังอะไรเล่นเนลวลาเด็ก่อนใายสมัยเด็กพอหมดสนุกแล้วเป็นไงลือทิงอท้ ง, อ, งอ่าพรุนี้มาเกาะใหม่สังขารก็เป็นอย่างนั้นนะสังขารก็คือปราสาททรายเจดีย์ทรายแหละทุกปี อาจะเห็นว่าเราจะขนทรายเข้าวัดมาขอเสรีทไายจนเขาสะเขาสอนน้บราณเขาสอนเขาจะขนทรายวันไหนรู้ไหมในสงกรานน่ะมันจะมีวันตั้งแต่วันแรกกันเลยวันวันสังขารล่องแล้วันนวะวันเนาแล้วก็วันมหาสงการใช่ไหมเพราะนั้นวันแรกคือวันวันสังขารล่องเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็จะจุดพุปตี เขาเ ก, กาะกะลาจริงปืนกันทั้งคืนแต่วันนั้นนะ่ะสังขารตื่นปลุกให้ตื่นเลยแหละสังขารมันจะไปแล้เขาก็เชา้ชาๆขึ้นมาเขาก็เกาะจีดีทรายกันให้ให้รู้ว่าการที่เราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเรนิ่มเกาะจีดีทรายสังขารตรงนั้นมันเกิดเจีดีทรายแต่เราก็ก่อมันได้เก่อมันดีเช่น บ้านเรือนตึกหลาบ้านช่องเนี่ยเรากาะมันไ ว, ว้มันอยู่ถึงพันปีไหมอยู่ถึงร้อยปีไหมไม่ถึงเ่ยนะเดี๋ยวก็สลายไปแต่ไอสังขารที่เด็กเราก่อใจดีขึ้นไปใจดีใส่เนี่ยเราก่อเช้าเย็นมันก็สลายละต้นไม้ปลูกปีนี้หลายปีมันก็ตายสํานักสร้างปีนี้อีกไม่กี่ปีมันก็สลายจะเป็นใจดีใส่แต่เนื่องจากว่าเป็นสมมุติที่มี อ, อะไรล่ะสมมุติที่มีวัฒนธรรมมันก็เลยเป็นเจดีย์ทรายที่มีคอนยั้งยืนน่อยอเพราะฉะนันความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันเกิกดกกล แ, แล้วก็ดับมันเกิดขึ้นก็สลายไปแต่คนเราก็เป็นหลงลอะเนาะหลงในสังขารตัวนี้หลงจะมาเป็นเราแหละนะแล้วก็ยืดไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษา การเจริญสติแบบนี้แล้วจะยอมรับไม่ได้เลยนะฉันพูดเรื่องอะไรเนี่ยคือเป็นตัวที่เราเอาตัวตัวปณามณ์เนมาแก้ไขให้เป็นสมมุติมาแยกให้เห็นว่าเออแต่ละอย่างสังขารแต่ละอย่างมันมีมันมีอายุของมันมันไม่ได้เหมือนอายุของสังขารในจิตของเราเนี่ยมันเกิดแล้วาามัก็อ่ายมันยิ่งสั้นกว่าทุกอย่างเลยเนะี่ยใสังขารอย่างอื่นเนี่ย มันก็ยังมียืดมียาวไปนะสังขารที่เกิดจากน้ำมันเกิดมันดับแต่สังขารที่เกิดจากรูปบางทีชั่วอายุไขของเราเนี่ยบางคนก็อยู่ได้แปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยก็มีถึงจะดับสลายไปบางคนก็ไม่ถึงนะสังขารเหล่า น, านี้แต่เราก็เกิดมาแล้วเนี่ยในสังเนื่องจากสังขารหรือสมมุติอันนี้ที่เราเป็นนี่แหละมันมีความพิเศษของมันตรงที่มันสังสม ศักยภาพสั่งสมความสามารถมาหลายพบหลายชาติ <c oughs> แล้วก็พัฒนาวิวัฒนาการมาจากาสัตว์ทั้งหลายประเภทเนี่ยขึ้นมาเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดคือร่างของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นวิวัฒนาการอันสูงสุดของสังขารคือการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เองแต่มันก็คือสังขารนั่นนึงนี่แหละแต่เราก็เนื่งองจากมันเป็นสมมตทิที่ยอดของสมมติพัฒนาการขึ้นมาเป็นสมมติ เกิดมาแล้วก็เป็นนันเป็นนี่สมมุติกันมาเรื่อยเรื่อยแหละตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นเราเป็นเขาเป็นคนดีไม่ดีคนฉลาดไม่ฉลาดคนมีการศึกษามีการศึกษาเป็นเรียนแล้วก็ออกมาเป็นมูเป็นครูเป็นหมอเป็นนายเป็นอะไรไปสังขารแล้วนี้มันละเอียดแยบขัยมากที่ปรุงแต่ให้เราติดไปเรื่อยเรื่อย แล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะสังขาร น, นั่นเนี่ยแล้วก็มีลูกมีเตา้ามีเลนมีอะไรก็ยืดไปยืดไปถ้าเกิดว่าลูกเต้าเราล้านนั่นนี้ไม่เป็นไปอย่างใจเราก็ทุกข์กับมันสังขาร น, น, นี่นแหละพราะเราไม่สืบสาวเราเรื่องปหาต้นมันจริงๆก่อนที่เราจะเป็นอย่างเงี้ยเราเคยทุกข์เพราะการมีลู ก, กมั้ยก็ไม่มีอ่าสมัยเราเป็นเด็กเราเคยทุกข์เพราะลูกไหมมีแล้วสมัยเราเป็นนักเรียนเราเคยทุกข์เพราะ ไม่มีเคยทุกข์เขาสามีก็ไม่มีสังขารท่าก่อครสมัยหน้าสมัยที่เราบวชใหม่ๆเป็นทุกข์เพราะการสร้างสำนักไหมเขาไม่เป็นทุกข์พอบวชมานา น, านสมมุติว่าเป็นพระอาจารย์สมมุติว่ามีพรรษายเยอะมีคนรับถือเยอะมีคนมาปฏิบัติได้ยเยอะท่องสร้างสำนักมันก็ปรุงแต่งมันมันสมเหตุสมผลมากนะสังขารนะี่นะไม่ฉลาดมากเลยมามานลืกถึงตรงนี้แนละ้ว พระพุทธเจ้านี้ทำไมท่านแต่จะ ร, รู้เรื่องนี้ได้แล้วก็นํามาสอนแต่เราเคยเชื่อท่านบั้งไหมไม่หรอกไม่เชื่อหรอกเราก็ไปต้องทุกไปตามเรื่องของเราเนะ่ยเพราะเจ้าชายศรลธรรมท่านพบของท่านเล้แก้ไขของท่านไปแต่ท่านก็ฝากคําสอนนี้มาถึงเราแต่เราก็ไม่ได้เชื่อท่านแต่เนื่องจากเราเยังไม่ค้นพบพระพุทธเจ้าในตัวเราไงอ่านั่นเจ้าเรื่องของเจ้าชายศิลรรม คนพบนี่เป็นเรื่องของเราเราต้องหาผู้ดีเจ้าของเราอีกเนี้่จนกว่าผู้ดีเจ้าของเรานี่จะแต่สรูล้ล่ะเราถึงจะเชื่อแล้วนะฮะตอนนี้เราผพ้ดีเจ้าของเรายังไม่แต่สรู้เราก็ต้องทําไปตามสังขารเรื่อยๆก่อนทุกข์ก็สังขารจนหัวปอ่หัวปลก่อนถ้าตามใด จ, จะไม่เจอพรผู้ดีเจ้าในตัวเราอีกมันไม่ได้ทุกชาตินี้ตายไปอีกเกิดมาอีกไปไงเริ่ ม, มต้นทุกมาอีกอย่างงี้ยเกิดไปรลายชาติหลชาติก็เริ่มต้ พอเรา พ, พบพระพุทธเจ้าในตัวเราป้อมเนี่ยเราจะท่านจะฉายภาพย้อนให้เห็นเบื้องหลังของเราว่าเราทุกมาขนาดไหนทุกมาเกิดเป็นคนมากี่ชาติเกิดเป็นยักษ์มากีชากกาก่ชาติตกนรกมากี่ชาติเป็นเปตกี่ชาติเป็นสัตว์เลเชียนกี่ชาติจะใช้เห็นหมดแลยแล้วท่านก็เราก็จะกลัวพพทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นในเราแล้วแต่จากใดเราไม่เห็นเราดันั้นเราไม่มีทางกลัวไม่มีทางเข็ดหลาบหรอกมันจะยังเกิดต่อไปได้แหละจะทุกขนาดไหนก็พอใจที่จะเกิดใหม่เพราะเรายังไม่เกิด ธรรมะสังเวชแหละจะมีลูกอีกครั้งจะมีเต้ามีครอบครัวอีกกี่หนเราก็ไม่เคยคิดเคยเคย ล, าล่าหรอกเพราะฉะนั้นกุฏิจะต้องเล่งค้นหาตัวนี้ให้เจอในชาตินี้ให้ได้พบที่เป็นมนุษย์ที่นั่นนจะคน้คนเจอท่านนะถ้าเกิดไปพบอื่นชาติอื่นศา ส, สนาอื่นก็ไม่มีทางอีกที่จะเจออเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นมนุษย์ที่ว่า จนกันว่าต้เป็นมนุษย์ที่มีอะไรเพื่อค้นเจอเป็นมนุษย์ที่มีศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่เจออีกใช่ไหมมีความเพียรก็ยังไม่เจออีกมีสติก็ยังไม่เจออีกมีสมาธิก็ยังไม่เจออี ก, ก, จ, ออกจนเป็นมนุษย์ที่มีครบทั้งห้ามีปัญญาด้วยถึงจะเจอและอินทรีย์ทั้งห้านี้ถ้าหากว่ามันมีอยู่ แต่ถ้าไม่มีวิชาเข้าไปประกอบมันก็ยังเป็นอินหของนิวรณ์ไปเรื่อยๆรับใช้นิวรณ์ไปเรื่อยๆแต่พอมันมีวิชาขึ้นมาอินหนี่ก็จะกลายเป็นพระกลายเป็นพระพระหขึ้นมามีกําลังรัตที่จะต่อสู้ต่อคอนกับกิเลสได้แล้วทีนี้ดังนั้นที่เรามาสร้างจังหวะบริาาเวณจุคมคือมาสร้างกําลังของอินรียทั้งหสร้างกําลังของศรัทธาสร้างกําลังของ ความเพียรสร้างกำลังของสติสร้างกำลังของสมาธิสร้างกำลังของปัญญาให้มีกำลังขึ้นเมื่อมีกำลังแล้วมันจะไวพอไวแล้วเนี่ยอะไรเข้ามามันก็ทันหมดความง่วงเข้ามาก็ทันแก้ไขทันทีความคิดเข้ามาก็ทันแก้ไขทันทีความเบแบบื่อเกิดขึ้นมารู้เท่าทันแก้ไขทันทีอ่าความอะไรเกิดขึ้นมารู้เท่าทันแก้ไขทันทีนี่เรียกว่ามันมีกำลังแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขมันยังไม่ได้เนี่ยแสดงว่า อีสีของเรายัางไม่มีกำลังวิชาของเรายัางไม่เข้มวิชาของเรายัางไม่แก่เราก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆสร้างความเพียรไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดวิชาอ่าเรื่องสังขารเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะเราจะประมานไม่ได้ทีเดียวโอ้คิดยังไงก็ได้ไมันมีใครรู้หรอกอ่าอย่างน้อยตัวเองก็รู้อะนะ แต่ท่านผู้มีหูที่แฝงทิพท่านรู้แต่ท่านไม่บอกเราท่านเองเพราะะฉนั้ น, นเองเราก็ต้องพยายามในจุดนี้ข้อมูลที่พูดถึงนี้เพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจนะ <c oughs> เห็นเรื่องจริงเรื่องสังขารที่ที่มันเป็นจริงนี้แล้วเราก็เกิดความพยายามที่จะสร้างกําลังของสติสมริตปัญญาอันเป็นต้นเหตุ เมือนเรากลัวความมืดเนี่ยความพยายามของเราไปไล่ความมืดมันก็ไม่ใช่แต่วิ่งหนีความมืดก็ไม่ใช่จะหลบความมืดก็ไม่ใช่จะเ้าอะไรมาไล่มันนะข้ามืดเนี่มาถึงจะหนีฮะต้องหาแสงสว่างให้เจอใช่ไหมยังไงหายัางไงก็ได้ขอให้แสงสว่างให้เจอให้ได้พอเจอแสงสว่างแล้วความมืดมันหนีเอง เหมือนกันเรารู้ว่าชีวิตนี้มีความคิดมีการปรุงแต่งมีสังขารที่ก่อให้ความมืดและความทุกข์เราก็ต้องหาแสงสว่างเพราะฉะนั้นในธรรมจักรทานตุว่าจะขงอุทัปปิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกแสงสว่างหาอโลโกให้ได้หาแสงสว่างให้เจอ <c oughs> มาเจอแสงสว่างแล้วทีนี้ก็ต้องหาทิศทางแหละทีนี้ ที่ทำคืออะไรก็คือมกักมีอง์แตกหาให้เจยท่นั้นเรื่องนี้อย่าท้อเลยทำบ่ทาให้สนุกนะไม่ทําโดยจําใจท่านั้นในช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตที่มีสติอมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้สูงสุดเท่าที่จะสูงได้เต็มความสามารถอะไรง่ายดีก ว, ว่า ความสามารถสติปัญญามีเท่าไหร่ทุนเทกับเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุด น, นะถึงเราไม่สามารถตัดกิเลสอาสวะหมดได้ในชาตินี้อย่างน้อยก็ทำให้พบชาติเราสั้นลงก็ยังดีกว่าที่เราจะไปละหกละเหิอนอีกไม่รู้เท่าไหร่นะอย่างน้อยถึงแม้ว่าให้กำลังใจตัวเองถึงแม้ว่าฉันจะต้องไม่ไปลงหกะเหินกับภพบชาติอย่างแล้วแล้วมาภพชาติฉันจะสั้นลงแต่ฉันจะพยายามเต็มความสามารถไว้ก่อน เผื่อว่าโชคดีมันจะได้หมดในชาตินี้แต่โชคไม่ดีก็หมายความว่าอาจจะต้องเกิดไปอีกแต่พบชาติจะสั้นลงถึงมันจะสั้นแต่ก็เป็นพบชาติที่ดีๆทั้งนั้นแหละถ้าเราพยายามเติมความสามารถแล้วนะดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่าอย่าไปท้อไปกินลูกดันเอาไว้ไปกินลูกท้อลูกมาดันดันเวลาลูกเดียว ลูกทอนี่ไปไม่ไหวแน่แฮร์ไม่มีกําลังหมดกําลังกินเยอะๆหน่อยลูกบดันเนี่แต่ลูกทอนนี่ไม่กินเลยจริงดีแต่ลูกท้อนมันก็อร่อยก็ลูกบดันนะลูกบดันเป็นไงเองเปลี่ยวลูกท้อเป็น ไ, ไงหวา น, วานเฮ้ยคนเราชอบกินมันหวานนี่ไง <c oughs> ลูกบดันเปรี่ยวเห็นมีต้นบดันอยู่นะคุณวิชาในวัดบ้านเราวัดเราเนี่เนาะมีไหม อ่าเดี๋ยวตัวบดัแต่ว่าบดดันกับตลิงปิงเงียเดียวกันือเปล่าในะเออหมอคงจะเปรี้ยวๆคงตลิงปิงเมนเาะบดันก็เปรี้ยวบดันก็เปรี้ยวนะอ่าอ่ามอคิดว่าตลิงปิงกคือบดดันคืออันเดียวกันแต่มดดันนี่เปรี้ยวกว่าตะลิงปิงนี่เ่หรือ้น้อยกว่าตลิปิงเปรี้ยวกว่านะพวนี้คงจะได ฉันตะลิงปิงนุแท้เดินไปเลยมาไปเจอขี้เหล็กหิ้วแกงขี้เหล็กอีกโอ้ไม่เข้าท่าเลยสังขารของเรานี้นะไม่ละสํารวมเลยนะเกิดกแทนที่จะกำหนดว่าเป็นเพีงรูปเพียงนามมันกลับแกงเห็นต้นขี้เหล็กเป็นแกงไปได้นะเนี่ยเห็นไหมสังขารเผลอไม่ได้จริงๆอ้าไปเห็นประกอบนึกถึงนุ่มพิงมะกอกขึ้นมาอีกเห็นไหมเห็นไหมสังขารปรุงแต่งไปเผลอไม่ได้เชีต้องกําหนดรู้ทีเด oh ียวนะ ท่นนั่นเองก็เลยว่าแต่เวลาพระระบุชื่ออาหารถึงว่าผิดวินัยเพราะอะไรเพราะว่าทําตามสังขารที่เราอยากเอาไว้มันจะกินได้เยอะเลยตั้งใจไว้จะกินในนี่นะจะทานอันนี้นะนะนนนะก็เรียบเขียงให้โยมไปทํามาละโอ้วันนี้แกงขี้เหล็กนะี่นะโยมนะก็ไม่ได้ผิดอาบาอัติเละต้องบอกอีกแบบนะวันนี้ต้นขี้เหล็กตวนะสวยจั ง, งนะโยมนะ เป็นเราะรู้กันเออหายหิวแกงขี้เล็กลเนี่ยเนี่ยอเรื่องผิดพี่นายมันมีเยอะเลยนะพี่นายไม่กินผ้ามันจะกินใครนะอับับอะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเราต้องศึกษาไปเรียนรู้ไปนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงเนี่ยถ้าถ้าคนไม่เชื่อความจริงรู้ฟังธรรมะหเหมือนอคาคานทุกหัวเลยแะ แต่คนที่ชอบคนจริงฟังธรรมะโอ้เหมือนได้กินอาหารได้อร่อยต้องต้องพยายามศึกษาของจริงในส่วนที่ที่ปรากฏในตัวเรานี่แหละพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละได้เห็นจะชัดดังนั้นสรุปแล้วก็คือว่าให้เห็นอันตรายของสังขารเห็นอันตรายของสังขารและสังขานี่จะก่อให้เกิดภพชาติและภพชาตินี่ก่อให้เกิดความทุกข์มหาศาลเลย พระพุทธเจ้าท่าอุทานไว้อเนกาชาติสังสารันสันาวิสังอนิพิสังฆะการังเขเวสันโดรุคาชาติปุนปุนังเมื่อเราไม่ไม่มีสตินะจิตของเราได้คิดเรื่องราวต่างๆตลอดพบประชาติอันดับไม่ท้วนแล้วความคิดในกอให้เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกแล้วก็ทุกข์แล้ว ท, ทุกข์อีกทุกข์าชาติปุนปุนังการเกิดโดยบ่อยทําให้เป็นทุกข์จนนับไม่ได้ เกิอดอะไรเกิดความคิดเกิดความอยากเกิดสังขารนั่นแหละตายแล้วเกิดอีกเกิด อ, อีกตายเกิดอีกอยู่เยอะแหละจนกระทั่งว่าเรามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพ่งนึกขึ้นได้แล้วก็ตามหาคำสอนตามหาตัวเองมาที่นี่ก็มาตามหาตัวเองนะมาตามหาตัวเองลหลายคนแต่คนต่างตามหาตัวเองไม่เจอมาเจอกันแล้วก็ช่วยกันตามหาที่นี่หลายคนช่วยกันตามหาคงจะสนุก เมื่อเราไปล่าเนื้อนี่ยไปล่าคนเดียวคงไม่สนุกไปหลายคนอ้สนุกลัดกันตรงนั้นลัดคนนี้ว่าแบบเก่งตรงไหนควางตรงไหนมาโผล่เข้ามาก็เสร็จเลยได้แล้วถ้าไปหาคนเดียวไปไงไม่เจอเจอแต่ประจำไม่ทันหรอกแต่หาหลายคนมันมันช่วยกันตามเพื่อยกันลัดตรงนั้นเลาะตรงนี้ธรรมะตรงนี้ก็เหมือนกันหากันหลายคนปฏิบัติกันหลายคนเดี๋เจอคนนั้นนิดคนนี้หน่อยเพื่อกันลัดช่วยกันเลาะช่วยกัน ดักตระนั้นดักหน้าโดหลังกิเลสมันไปไม่รอดมันก็ยอมให้เราจับละทีนี้อ่านไห็นมอันนี้ก็เป็นกําลังของการละกันนั่นนั่นใช้ก็ว่าสังฆะไงคํำสอนวุฒเจ้าจึงต้องมีให้ครบสังฆะสังฆะหมายถึงหมู่ชนที่มาประพฤติดีร่วมกันมาพุทธตรงร่วมกันมาประพฤติแก้ปัญหาร่วมกันมาประพฤติให้เกิดสติปัญญาร่วมกันเนี่ยแล้วก็จะทําให้เกิดกําลัง ถ้าคนคนเดียวจะกำลังนี้ขนาดไหนนะลองไปล่าเนื้อล่าเก่งดูจับย่างไว้ลาเขาไปล่าสัตว์นี่เขาไปกันเป็นหลายๆลายคนช่วอกันดักเช่วยกันลัดช่วยกันจับอ่าชั้นใดก็ดีแกมึงศาธรรมะเปิดภาคปฏิบัติเนี่ยญาติโยมมาปฏิบัติหลายคนก็เป็นกำลังให้แก่กันอะไรกันคนนั้นรู้นิดคนนี้รู้หน่อยก็พูดสู่ันฟังก็ทําให้เกิด ตัวสภาวะเกิด ค, ความเข้าใจขึ้นมามีกําลังใจในการปฏิบัติแนั้นในช่วงที่มาเข้าดาวมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่นี่ก็เรามาสร้างจังหวัดโตลุมกันดีกว่าไม่ต้องมาสวดมนต์โตลุมเนาะเหนื่อยเ น, ะนาะให้เขาสวดก็ไปคนที่เขายังไม่มีสติหรือมีสติน้อยกว่าแเราก็เดยจะครมเต่มโตลุงบ้าง แต่มาต้องขอนอนโต้ลุงไ้ก่อนก็แล้วกันมาแล้วนั่งโต้ลุงไปงวงหวังได้ป่วยติ่นได้ป่วยได้ป่วยซ้ำเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนยูมให้ถึงที่สุดแหละในชวงคนไหนมีกําลังใจที่จะเดินเอามาเคยเดินมาแล้วเดินโต้ลุงมาทํากันตั้งหลายวันนะวันสุดท้ายเป็นไงวันสุดท้ายเกิดวิปริตอามามา่ก่อนมาไม่ชอบเดินปฏิบัติตอนกลางวันชอบตอนเนี้ยตอนคืน ตั้งแต่เลิกจากทำวัดฟังธรรมเจร็จแล้วก็เดินต่อเลยปีสามปีสี่ถึงเลิกทำอยู่หลายวันวันสุดท้ายตื่นทำตนเช้าใกล้สว่างขึ้นมามันไปเห็นไใน้ตอนนั้นอยู่วัดสนามในเนาะต้นไม้มันเอายอดลงเรามาลากขึ้นชี้ให้เพื่อนดูใหญ่เลยดูดูดูไม้ตรานั้นมันร า, ากอะไรมาขึ้นยอดมันพึ่งลงเพื่อนก็เลยจับแขนจูงไปหาหลวงพ่อ เกิดติดอารมณ์แล้วพ่อก็จุงแขนมานั่งอะรบอกอะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามอะไรเป็นมันทำให้รู้สึกตัวแก้ไขตกแล้งั้นมีหวังเพียงต่อเลยแล้วก็นะ <c oughs> เดินโดลุงหลายวันวันเดียวนี้ไม่เป็นไรหรอกนะทาไปเพราะว่ามันได้หลับหลายวันปรปสานมันจะกลับก็ได้นะก็ <c oughs> เลยดูผีผีเพียเพ้ยนไป เอาเนอะวกนี้พูดเรื่องสังขารเนอะเข้าใจไหมเข้าใจนะพวกนี้ก็ไปดูสังขารเนี่ยแล้วก็มันเป็นมารตัวหนึ่งเยเขาเรียกสังขาระมานอ่าสังขาระมานเอสมาขันธมา น, ามา น, ามานก็นําไปพิจารณาโดยแยกคายสังขารของเราก็ริ่มเดินละตนี้เออปวดตรงนั้นเน็ดตรงนี้ สังขานส่วนหนึ่งมันก็อยากจะพักอยากจะาักผ่อนเดินมาทั้งวันละนก็เตือนสังขารเท่านั้นแหละอย่างบาอย่างมันมีความจริงแล้วก็เชื่อมันแล้วก็ทำตามมันได้จะขอวุทนาสาธุที่เราได้ตั้งใจได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่จะนำไปสู่แสงสว่างสู่ทางความหลุดพ้นโดยการมาศึกษาเรียนรู้ค้นหาตัวเอง แล้วก็ค้นพบพระพุทธเจ้าในตัวเองด้วยกันทุกคนทุกทันเธอ